กลายเป็นบ้านแห่งกองทุกเมืองแห่งกองทุกข์เมืองหนึ่งเต็มไปด้วยกองทุกอย่างเห็นประจักษ์แล้วขยายออกไปจนกระทั่งถึงประเทศทั้งประเทศเป็นกองทุกโลกเป็นกองทุกเป็นแบบเดียวกันนี้เป็นยังไงใครอยากจะอยู่แล้วในโลกกล่ ง, งกองทุกคือเมื่อรวมมันเข้า ม, ามันออกเป็นพลังอันหนึ่งที่จะให้เกิดความสะดุดภาณจิตใจ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 แต่และห้องละห้องมันจะเป็นห้องของคนตายหรือเป็นป่าช้าทั้งนั้นเราก็ไม่ได้คิดกันถ้าคิดไปชอกแซกอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้มีสติปัญญาเกิด ค, ความรู้สึกตัวขึ้นมาโดยลาดับแม่ที่สุดเข้าไปในเตาไฟครัวไฟแล้วเท่านั้นเราก็พอโปรงในจางทุกขังหน้าตาได้แล้วซึ่งเป็นป่าชาของตัดเต็มไปหมดไม่ทราบว่าเผากันมาทั้งแเมื่ อ, อไหร่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 มีที่แน่ความรู้สึกเท่านั้นถ้าความรู้สึกคิดไปแน่ใดผลมันก็ทำตามกันไปถ้าเกิดความขายาขยงเกิดความน่ากลัวเกิดความกล้าความหานเกิดความดีใจเสียใจขึ้นมาจากแน่ความรู้สึกของตนพระพุทธเจา้าท่านจึงสอนให้มีความประมาท ในวันนี้ที่ไปแจกสินค้าเขาพอเห็นคณะเราไปเท่านั้นนะ่ะหลังไหลกันออกมาตาจดจ้องมองเป็นลักษณะแห่งความหิวความกระหายกับความจะสมหวังไปพร้อมๆกันเนี่เวลาแจกสินค้าก่อนเล้หน้าสงเลืน้าสูงสารหน้าสูงสา ร, าสสารนะมากทีเดียว ไม่นสะออกมาจากทิศไหนแดนในทุกทิศทุกทางเต็มไปหมดสนามกว้างจนจะหาที่เดินไม่ได้นี่ก็คือพวกที่ได้รับความทุกข์ความลำบากเมื่อมีผู้ใดจะไปให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ก็มีความหวังขึ้นมาภายในิจใจทนอยู่ไม่ได้จะต้องออกมาไม่ว่าเด็กหมืว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมด ในสถานที่นั้นมันได้ไปแล้วก็เป็นเครื่องบรรเทาแล้นได้ไปก็เกิดความดีอกดีใจเพรสมหวังเป็นเครื่องบรรเทาทุกเจ็งคืนนี้จะความหนาวแม้จะหนาวอยู่ตามปกติแต่ความอบอุ่นก็รู้สึกจะดีขึ้นกว่าทุกๆวันที่ไม่มีผ้าห่มอาหารการกินก็เหมือนกันเช่นกำลังขาดแคลนอยู่แล้วหรือกำลังหมด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 หลุดออกจากมือของเราด้วยการเสียสละโดยเจตนานบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไปอยู่ในมืออีกคนหนึ่งคืออยู่ในออกจากมือของคนผู้ให้เข้าไปอยู่ในมือของคนผู้รบับนะผู้ให้ก็มีความดีอกดีใจผู้รับก็มีความดีอกดีใจบางลายเป็นถึงกำลังตาลวงเราที่มองเห็นแล้ว นี่แอำนาจแห่งการสงเคราะห์กันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทำด้านจิตใจเป็นสาคัญความปิติยินดีจะเกิดขึ้นมากเพื่อนอไรบางรายจะต้องเกิดขึ้นมากมายบางรายก็เกิดขึ้นเฉพาะว่าวันนี้ได้มีความสะดวกสบายได้อาหารหรือได้่านห่มมาห่มมา น, นี้บางคนจะต้องคิดถึงเจ้าของขวบมาให้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 เป็นของมีมาตั้งเดิมตั้งแต่การไหนไหนหากว่างดการให้ทานนี่เสียการเสียสลัเพื่อพันในกันกนี้เสียโลกก็เป็นโลกไปไม่ได้เพราะสัตว์เขาก็ทําต่อกันเช่นเดียวกับมนุษย์เราเขายังให้กันเหมือนกันพ่อแม่ของสัตว์ก็ให้ลูกเขาเลี้ยงลูกเขาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็ กินโดยการเช่นมุดง่ามเป็นต้นต่างตัวต่างขนมุดง่ามมุดลิ้นอะไรเขขนไปไว้ในรูแล้วเขาก็ ก, กินด้วยกันมนุษย์เราก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมเกี่ยวเนื่องกันมากน้อยเพียงไรก็มีความเสียอชาติต่อกันนับตั้งแต่พ่อแม่กับลูกลงไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นไปด้วยทานทั้งนั้นชีวิตจิตใจความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องถึงความเพื่พงพิอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ี่เรียวกว่าความยสศรัทธต่อกันพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ครั้งบำเพ็ญพระวรมีเพื่อโพธิสมภารก็ทรงบำเพ็ญทานมาโดยลำหนักจนกระชอนวิธิศักยิทธิคุณของพร ะ, พระองค์นี้เวลามาตรัสรูกเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนก็มีตั้งแต่คนสักการะบูชาอามาให้ทานแม้เทวบุตรเทวด า, า, าก็เช่นเดียวกัน ไปที่ไหนมนีของทิพย์ที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องขอไม่ต้องร้องไม่ต้องขอร้องหรืไม่ต้องร้อ ง, อ ง, ข, ออ ง, องขอจากใครๆใครก็มีความเชื่อความน้ใจอยากจะให้ทั้งนั้นมาถวายพระองค์จนกระทั่งมีพระสงฆ์ได้สนทนากันในธรรมสภาหรืนี่ที่ชุมนุมกันว่า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 แม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมาจากความดีมีทานเป็นต้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเอาเฉยๆมีฤทธิ์มีเดชด้วยความเป็นพระพุทธเจ้า อ, อย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยองค์งานความดีทั้งหลายมีทานอมรมีเป็นต้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านว่ายอย่างนั้นการให้ทานจึงเป็นสิ่งจำเป็น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 นอกจากนั้นแล้วไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามผู้นั่นไม่อดอยากขาดแคลนเพราะอำนาจแห่งทานที่ตนได้ทำไว้แล้วตั้งแต่บุเพชาตเป็นเครื่องสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นพระสิโยรีเป็นต้นท่านไปในสถานที่ใดมีแต่คนถวายวัดเทอตุ ป, ปัจเจยทวยทานเต็มไปหมดตามถนนคนทางตามบ้านตามเมืองท่านไปที่ไหนเต็มรองพระพุทธเจ้าลงมาสาวกองที่หนึ่ง ในเรื่องอัจฉริยกรามากก็คือพระโมคคันก็คือพระศิวลีเมื่ออดิตการของท่านก็ท่านเป็นนักเสียสลายไปที่ไหนมีตการให้ทานทั้งนั้นทานอย่างไม่อาจไม่อัน้นทานด้วยตามนิสัยจริงๆจะอดจะอยากจะขาดจะแคลนหรือจะมั่งมีที่สุขขนาดไหนก็ไม่เคยลดล่าในการให้ทานขอแต่มีพอได้ให้ทานเป็นให้ทาน มีเป็นนิสัยมาโดยลำพังเพราะฉะนั้นเวลาวาระสุดท้ายที่ท่านมาบรรลุธรรมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเป็นผู้เลิศในเรื่องอัติเดกราบไม่มีองค์ใดองค์ใดเสมอเหมือนยกพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นเป็นอุปนิสัยของท่านบรรดาพระพระสาวกที่เป็นพระหันด้วยกันจึงมีเอตตะคะคือความเลิศต่างกันไม่คว่าจะซ้ํากันเนื่องจากเจดิย์นิสัยที่มีความหนักแน่น ในแง่ต่างๆแห่งความดีทั้งหลายนั้นต่างกันบางองค์สำเร็จเป็นประหานแล้วไม่มีคนเคารพนับถือไม่มีอัติเรกลา ก, ก็เยอะแต่ท่านดีในทางอื่นซึ่งเป็นความดีเช่นเดียวกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ท่านได้ถึงความพ้นทุกข์แต่สิ่งที่ทด้อยก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แม้ถึงความเป็นประหานแล้วสิ่งที่ด้อยก็คือ ใ้มีคนถวายะจตุปัจ a j ยทานมากสมความเป็นพระอรหันต์ของท่านก็มีมีเพราะอุปนิสัยที่เคยสร้างมาต่างกันคำว่าอุปนิสัยเป็นสิ่งที่ฝังแนบอยู่ภายในจิตใจทำจนเกิดเป็นความเคยชินภายในจิตใจ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 ถ้ามารวมกันจำนวนมากเข้าก็ยิ่งเป็นความสุดสังเวยียนมากขึ้นเมื่อทั้งกลายเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างกองทุกไปด้วยกันเสียสินแล้วก็โลกนี้ไม่มีใครต้องการจะมาอยู่จะมาอยู่ทำไมไมีแต่กองทุกแอบนี้เราปวนวนเข้ามาหาตัวของเรากองทุกมันมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องการอะไรเพื่อขันอันนี้ ขันนี้มันมีแต่กองทุกข์ทำหนักถ้าผู้จะทําให้ตัวให้พ้นไปเยอะจากกองทุกข์ไม่มีความเยื่อใยในอันใดเลยโดยเห็นความทุกข์เป็นภัยต่อตนอย่างยิ่งแล้วผู้นั้นก็เร่งความภาคเพลินอย่างอะไรอะก็หนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงความภาคเพลินวามมากความมุสาพยายามความอดความทนก็มากไปตามกันเพราะความอยากพ้น สติปัญญาออกพยายามหาอุบายคิดค้นที่จะให้ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับลำดับถ้าเป็นความนอนใจแล้วันไม่เป็นอย่างนั้นพอมีความสุขบ้างเล็กน้อยก่อนนอนใจไปเสียเช่นเดียวกคนไม่มีความฉาาดหาเงนินมาได้บาทสองบาทก่อจะพยายามเก็บหอมรอมดก็ไม่ซื้ออะไรเครินไป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 ส่วนที่จ่ายก็จ่ายไปด้วยความจําเป็นจ่ายครั์สินใดก็เห็นกวามจำเป็นในจริงนั้นได้เป็นผลเป็นประโยชน์จากความจ่ายของตนจริงๆถ้าสิ่งที่เก็บไว้เพื่อความจําเป็นในการต่อไปก็เก็บไว้เนี่ยอันนี้คือเป็นผู้มีปัญญาเรื่องทรัพย์ภายนอกทนี่เรื่องการพยายามสั่งสมภายในก็เป็นเช่นเดียวกันเราอยู่ในโลกนี้เราพอเป็นพอไปในธานในขันธ์ไม่โยาขาดแปนบ้านเดือนที่อยู่ที่อาศัยปัจจัย ที่เกี่ยวกับส่วนร่างกายจะต้องอาศัยก็มีพอเป็นพอไปมีปัจจัยส่วนภายในคืออริยะทรัพย์คือทรัพย์ที่พ้นจากค่าศึกโดยประการทั้งปวงนั้นได้แก่บุญแก่กุศลไม่มีกายจะมาแย่งชิงหรือจบชิงวิ่งราวไปได้อันนี้มีมากน้อยเพียงใดภูมีสติปัญญาต้อง่ครวนต้องพิจิตราและสั่งสมหรือ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 ทางด้านวัตถุมีร่างกายของเราเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของตนส่วนสําคัญตนหนึ่งแล้วเราก็ได้อาศัยสมบัติภายในคือบุญกุศลที่สร้างไว้แล้วนั้นไปเป็นต้นทุนเพื่อจะก่อกําเนิดเกิดในสถานที่ดีคติที่งามสมกับว่าบุญเป็นเครื่องสนับสนุนจากบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้ทงที่ดีตามหลักธรรมทั้งกล่าวไว้ว่า ธรรมโมหะเวรคติธรรมะใจรพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตกไปที่ชั่วน่กอะไรคําว่าที่ชั่วก็ที่ไม่พึงปรารถนา น, น, นั่นแหละที่ไม่พึงปรารถนานี้อะไรเป็นจ้าเหตุให้ไปเกิดก็คือความชั่วนั่นเองพาให้ไปเกิดเมื่อเราทราบไว้อย่างนี้เราก็พยายามบาเพ็ญความดีเพื่อจะไปสู่สถานที่ดีได้รับสิ่งที่สมหวัง แล้วก็สร้างภายในใจิตใจของเราไม่ให้มีความประมาทวันคืนปีเดือนร่วงไปล่วงไ ป, วงไปความดีของเราก็ให้เป็นไปด้วยความสม่งเสมอความสำคัญอยู่กับตัวของเราไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนเราต้องถือตัวเราเป็นสำคัญละรักษาอย่างไรตัวของเราจึงจะมีความคลาดคลาปลอดภัยมีความเย็นอกเย็นใจด้วยความดีทั้งหลายเราก็พยายามสร้างให้พอกับความต้องการ หรือเป็นความสามารถของเราที่จะเป็นไปได้ตัวนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถากถางคนทางทางั้งปัจจุบันอนาคตให้ตนไม่สร้างขวากสร้างหนามไม่ปากเสียดตนเองทูนี้ก็มีความรื่นเริงอิทานานตัตติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงบันถึงเป็นนานัตติลโลกนี้ไปแล้วก็มีความรื่นเริง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 คือโอวาทที่ออกมาจากธรรมของจริงาำสอนอย่างแน่นอนถูกต้องกับเหตุกับผลถูกต้องตามจุดความจริงหรือหลักความจริงเราเราจะพูดกันหนึ่งก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดทาไมเชื่อคนหูดีตาดีคนเฉลาดเราก็จะไปเชื่อใครความโง่กับกองในตัวของเรานี่เต็มไปหมดในหัวใจ ความมืดบอดก็จะมีภายใหัวใจทิศทางจะไปเมื่อราจะไปทางไหนอยู่ไปวันคืนปีเดือนร่วงไปร่วงไปแต่ความโง่มันไม่ร่วงไปถ้าไม่แก้มันฉะ น, นั้นจึงต้องแก้ความโง่เขลาเบาปัญญาอันเป็นความมืดบอดนี้ออกให้จิตใจของเรามีความสว่างสวัยเชื่อพระพุทธเจา้าผู้ ม, มีทั้งตาในตานอกมีทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งภายนอกภายในตามหลักธรรมที่ว่าพุทธทางส้าหังขจามิ ให้ถึงใจฝากเป็นฝากตายกับท่านทำมังสนังกระฉามิเป็นทำมันประเสริฐเดินโลกจะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการประปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นทางที่จะก้าวเข้าสู่ทำมันกเกษมนี่สั้งฆังสนังกฉามิีท่านเดินหน้าเราเราเดินตามหลังท่านไปโดยลำดับท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่พ้นทุกข์ไปแล้ว ตามพระเดชพระ ป, กปกตุตตเจ้าท่านแล้วก็ตามรอยทั้งทังท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติดีอยู่ที่ไหนให้มีธรรมภ า, ภ า, ภายในใจคนที่มีธรรมภ า, ภายในใจกิเลสก็กลัวไม่ใช่ว่ากิเลส จ, จะไม่กลัวกิเลสมันมีทั้งกล้าทั้งกลัวอยู่กับตัวของมันเช่นมีอยู่ในใจของเราเราก็ต้องมีความกล้าความกลัวเป็นธรรมดาทำมันหมดกิเลสแล้วเป็นแล้วความกล้าก็มีความกลั ว, วกววมม็มีแต่ความเสมอภาค มีแต่ความสม่ำเสมอความคงเส้นคงวาคงที่มีงามบี่งนั้นตลอดไปนี่ไม่ใช่กิเลสเป็นงย่างนั้นพยายามหลีกเลี่ยขวัญขวายลมหายใจหมดไปทุกวินาทีถึงหายใจเข้าหายใจออกหีุเหมือนไม่หมดก็ตามแต่มันหมดไปในหลักธรรมชาติของมันกิเกล็กันน้อยโดยลำดับแล้วเอากลับคลืนมาไม่ได้แล้วเมื่อ หมดไปหมดไปมันก็มันก็ถึงที่สิ้นสุดหมดอาเสียจริงๆจงนไม่มีอะไรเหลือน่ะมือไม่มีลมหายใจเหลือลอยู่แล้วถ้าจะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าคนตายให้มันตายตั้งแต่ร่างกายจิตใจอย่างมันตายจากกุญงามความดีให้เกาะกุญงามความดีนี้ไปสาระสำคัญก็คือใจเป็นมหาสมบัติพยายามบํารุง พยายามลื้อฟื้นขึ้นมาให้เด่นดวงพายในิตเนี่ยทานบสมบัติอันประรสริคือใจสมบัติเหล่านั้นก็เป็นภายนอกพอได้อาศัยเป็นธรรมดาไม่ได้ประมาทเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยสมบัติภายนอกนั่นแหะเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมร่างกายของเราให้จเจริญเติบโตขึ้นมาแต่เวลาสุดท้ายก็ต้องอาศัยความความดีที่เป็นสาระสําคัญภายในิตใ จ, จ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 เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกังหันเกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดจนตัวเองก่อ น, นับไม่จบไม่ถึงไม่สามว่าจะนับได้ยังไงเหมือนตามรอยวัวในครอกนั่นแหละรอยวัวในค อ, อ, อมนกมันเป็นยังไงมันวกมันเยินมันสับมันสนบุนไปหมดเดินไปที่ไหนมองไปงไหนก็มีแต่รอยวัวมันเต็มเลยครอกเพราะมันหยียบย่าไปมาจนแหลกไปหมดใส่สับรอยไหนรอยออกรอยไหนรอยเข่าพอมอยู่ในครอกนี่นี่แหละความเกิด ความตายมันซ้ำซ้ำซากซากันอยู่อย่างนี้ตอลอดไปจนกระทั่งตัวเองก็ไม่ทราบนี่แล้วคำว่าความเกิดความตายมันก็เป็นเรื่องของทุกข์มาพร้อมๆกันเมื่อตัดสาเหตุของความเกิ ด, ค ว, กดความตายได้แล้วคํำซ้ำซ้ำความาซ้ำซ้ำซากซากนั้นก็ไม่มีนี่เป็นเรื่องสุดท้ายแห่งทุกข์แห่งหากว่าเราจ้จะเกิดในอันใด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 ที่จะบุเบิกทางให้ถึงแดนแห่งความเกษมความ อ, อ่นแอมีแต่เรื่องตัดร อ, อนตัวเองเรื่อยลำดับผลประโยชน์ที่หยพึงจะได้ไม่มีอันจึงสอนให้ละเพราะความอ่อนแอความขี้เกียจควา ม, มาง่ายมันเป็นเรื่องของเจตเด็ดทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าเย่องของธรรมแล้วก็ต้องตรงกันข้ามทีเดียว ทำพุ่ยเจ้าให้บทใดบันใดก็ดีนี้จักสอนให้มีความพินิจพิจารณาสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ขอแต่เหตุผลไปจุดนั้นไปสายนั้นเดินตามฐานนั้นจะยากลาบากแค่ไหนก็ตา ม, มพยายามทํำไปโดยลำดับนั่นแหะทางของปราชญ์ท่านมีความสมบุกสมบันอย่างนั้นท่านไม่เห็นว่าร่อนนักหนาวนัก ขี้เกียจสายนักเช้านักดึกนักอะไรท่านไม่ได้ว่า น, นั่นเป็นลักษณะของคนขี้เกียจเหมืนว่าหาเรื่องนั้นถ้าจะไปในทางที่ดีจะทําของดีจะทําความดีมีแต่ เ, เรื่องแต่เอาสร้างขึ้นมาให้เป็นขวานเป็นหนามกั้นทางตัวเองไว้หมดหาทำไปไม่ได้สุดท้ายก็ น, นอนจมหนามนี่นั่นเละเนี่ยตอนจะนอนจมหนามไม่คิดนี่ เอาแต่ความสบายแต่ความสะดวกสบายในปัจจุบันจะเรื่มความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความสะดวกนี้ไม่ได้คำหนึ่งนบกษท่านใช้สติปัญญาพิจารณาคาดหน้าคาดหลังให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วท่านบุกเลยตายก็ตายคนทั้งโลกตายด้วยกันนั่นแหะสัตว์ทั้งโลกตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครจะยังเหลืออยู่แม้รายเดียวตายก็ขอให้ตายดี จะทำความเพียรก็ทำได้เวลามีชีวิตอย่างนี้ตายแล้วมันทำไม่ได้นะจะแก้ตัวก็แก่ในเวลามีชีวิตอยูน่นี้ตายแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยเหตุผล ม, มันก็บอกอย่างนี้พยายามแก่นะแต่มันจนหมดแก้โทษหมดแล้วก็มีมโทษกับพ้นจากโทษเหมือนนักโทษพ้นจากเรือนจาพ้นจากความเป็นนักโทษก็ก้าวไปสู่ความเป็นอิสระ ใจิตใจที่พ้นจากโทษจากกรรมทั้งหลายภายใ น, ในใจิตใจแล้วก็กลายเป็นใจที่เป็นอิสระความเป็นอิสระอย่าเราอยู่เป็นอิสระนี่เราก็ยังสบายไม่มีใครมากดขีบข่บังคับเราใจิตใจที่เป็นอิสระก็ยิ่งพักสุขสบายยิ่งกว่านี้ร้อยเท่าพันทวีเป็นหาที่เทียบที่เปรียบไม่ได้ใครจะต้องการเป็นบ่อยใครจะต้องการเป็นธาตของใครแต่เวลาเป็นธาตุของกิเลส เราไม่ค่อยจะคำหนึง่งจินต้องติดอยู่ในห่วงของกิเลสกิเลสจึงต้องบังคับบัญชาให้รับความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นจึงเห็นกิเลสว่าเป็นข้าศึกแล้วต่อสู้กิเลสเพื่อจะเป็นอิสระตัวเองเมาต่อสู้มาหยุดเม่ถอนอกิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรมันก็สลายตัวไปได้เพราะนนอํานาจแห่งการต่อสู้การต้านทานการทําลายแต่ก็กลายเป็นอิสระขึ้นมา ใจเป็นอิสระ pads, แล้วมันอยู่ไหนมันก็สบายทั้งนั้นมันอีอะไรจะสบายยิ่งกว่าความบป็นอิสระของใจศาสนาธรรมท่านสอนถึงจุดนี้ตัออ้งแต่ต้น oh, ๆมาโดยลำดับลํลลาดับทว่ากว้างก็กว้างท้าว่าแคบก็ลงที่จุดแห่งใจนี้จุดเดียวผู้นี้แหละเป็นผู้ที่จะรับทั้งดีทั้งชั่วทั้งการทําดีทำชั่วผลดีผลชั่วสุขทุกข์รวมอยู่ในใจนี้ทั้งหมด อันยังว่า ม, นมนโนปุพังคมาธรรมาทำเป็นใหญ่ทำเป็นประธานทำเป็นย่ำคัญอยู่ที่ใจทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นใดนี่แก้ลงที่ตรงนี้ใ จ, ใจมีความสว่างสวัยร่างกายเต็มไปด้วยกองทุกข์แต่ใจก็เต็มไปด้วยความสุขนี่ผิด ก, กันร่างกายมืดตื อ, อตามท่าอยากของมันแต่ใจสว่างกระจ่างแจ่มตามท่าแห่งธรรม จิตกายเป็นธรรมธาตุภายในใจึงเรียกว่าธรรมธาตุคือจิตที่สว่างสวัยภายในตัวแก้หรือถอดถอนมณฑินนิรชราล้างมณฑินหมดสว่างเต็มที่ครอบโลกธาตุมีจิตดวงนี้เท่านั้นที่มีอำนาจมากที่สุดมันครอบไปหมดโลกธาตุไม่เลยคํานึงว่าใกล้ไกลเป็นไปไม่ใกล้เป็นไปพอดียุตตลอดเวลา ด้วยความอ่อนความนิ่มนวลของจิตที่พ้นจากเปลี่ยนแล้วนิ่มจนหาที่พูดไม่ได้อ่อนจนหาที่พูดไม่ได้ครอบหมดโลกธาตุสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นทังเรียกว่าอะโล ก, โกุตปลาลิความสว่างกระจ่างแจ้งได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตเนี่ย yeah. หมดทั้งร่างของเราหมดทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจดงเดียวนี้เท่านั้น ม่อยู่ที่อื่นใดสาระสำคัญอยู่ที่นี่พยายามปดเปรื่องพยายามแก้ไขจุดนี้ให้ได้ตามกําลังความสามารถของรจนกระทั่งสุดความสามารถผู้นั้นจะได้ครองสมบัติอันเป็นที่พึงพอใจอยู่ภายในจิตและครองมหาสมบัติ สิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งด้วยความบริสุทธิ์แห่งใจขอให้นำไปพินิจพิจรารณาการแสดงธรรมป้เห็นเหมาะสมควรเจเวลาพอิติเพีงเท่านี้